ยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสักครังเอวะเมวัยโททินังเปตานังอุปการปติอิจิตังปติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจัตุสัพภีปูเรนตุสังกับปาจันโทปนาราโสยถามณิโชติ ระโสยธถาสัพพิตโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอะพิวาธนาสีลิสานิจังบุต ธ, ธาปจายโนจัตตารโอธรรมมาวัทธานติอายุวันโนสุขังภาลังภวะตุสัพพมังคลัง ราขันตุสัพพเทวตาสัพพุทานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสั พ, พสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภวันตุเต